เก้าตำนานเรื่องผีของไทยอันดับที่9ผีโพงผีโพงเป็นผีของทางภาคเหนือคนที่เป็นผีโพงเกิดจากการเล่นไสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้หรือปลูกว่านชนิดหนึ่งที่เรียกว่าว่านผีโพงคนที่เป็นผีโพงในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่ ว, วไป จตตกกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีพงมีจุดเด่นคือมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่รูจมูกอาหารที่ผีพงชอบมากๆคือกบเขียดศพหรือโรคเด็กเกิดใหม่ซึ่งเป็นของศกรปรกปและเหม็นขาวทั้งนั้นผีพงสามารถถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยการพ้นน้ำลายใส่หน้าหรือมีใครไปกินน้ำลายของผีพงเข้าระวังไว้ให้ดี คุณอาจจะเป็นผู้สืบทอดผีพงคนต่อไปอันดับที่8ผีพรายผีพรายเป็นผีที่มีลักษณะเฉพาะคือตัวของมันจะมีเมือกคล้ายปลาแถมยังทรงกลิ่นเหม็นแบบตลกอบอวนเสมือนเป็นกลิ่นปลาเน่าหรือศพเน่านอกจากกลิ่นแล้วตัวของผีพรายจะมีลักษณะเป็นสีเขียวบางก็ว่ามีเกล็ด บังกรว่าไม่มีโดยผีพรายมักจะปรากฏตัวเป็นสิ่งของต่างๆที่ลอยอยู่ในน้ําในเวลากลางคืนอาจแปลงเป็นคนจมน้ําบ้างหรือเป็นสิ่งของเพื่อหลอกล่อมนุษย์ให้ลงไปในน้ําหากมีเหยื่อลงไปในน้ําผีพรายจะทําการดึงขาลากลงไปในน้ําลึกเพื่อทําให้เหยื่อจมน้ําตายอันดับที่7ผีตายทั้งกลมผีตายทั้งกลม คือผู้หญิงที่เสียชีวิตในขณะคลอดลูกถือเป็นการตายโหงรูปแบบหนึ่งที่ทิ้งความทุกข์ทรมานให้แก่ดวงวิญญาณเป็นอย่างมากนางหน้าหรือแม่นาคพระขนงก็ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของผีตายทั้งกลมเช่นกันผีตายทั้งกลมมักจะดุร้ายและชอบเที่ยวหลอกหลอนคนทั่วไปในรูปแบบต่างๆเช่นหากมีใครเดินผ่านหน้าบ้านของหญิงตายทั้งกลมในช่วงกลางคืน มักจะได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กออกมาจากในบ้านอยู่เสมอหรือบางครั้งอาจจะเจอหญิงที่ตายยืนอุ้มเด็กออกมาต้อนรับคุณอยู่หน้าบ้านของเขาก็ได้อันดับที่6ผีนางตะเคียนผีนางตะเคียนมีรูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดงดงามผมยาวผมสบายใส่ผ้าถุงบางที่ก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่ ว, วไป ผีนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกหวงที่อยู่และจะดูร้ายมากหากใครคิดจะรุกรานที่อยู่ของตนบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอส่วนใหญ่คนมักจะนำไม้ตะเคียนมาสร้างยานพหันนาหรือบ้านพักอาศัยหากต้นไหนมีนางตะเคียนอยู่มักจะมีน้ำมันไหลออกมาจากเสาต้นนั้นหรือเรียกว่าเสาตกน้ามันนั่นเองไม่แน่ บ้านของคุณลองสังเกตดีๆในบ้านคุณอาจจะมีนางตะเคียนอาศัยอยู่ด้วยอันดับที่5ผีนางตานีผีนางตานีเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียนนางตานีจะสิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีและต้องเป็นกล้วยตานีตายพลายคือต้นกล้วยตานีที่ออกปีแล้วตายลักษณะของผีนางตานี จะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดหมดจดงดงามผมสบายสีเขียวและนุ่งจงกระเบนแบบหญิงโบราณชอบล่อชายไปลวนลามและนางตานียังมีแรงหึงหวงที่น่ากลัวอีกด้วยเพราะถ้าชายที่มีอะไรกับนางแล้วเมื่อไปมีผู้หญิงคนอื่นนางตานีก็จะตามไปหกักคอชายผู้นั้นทันทีด้วยแรงหึงหวงนั่นเองคุณละ่ะกลัวผีนางตานีหรือไม่ อันดับที่4ผีกระหังผีกระหังเป็นผีที่มีลักษณะเป็นผู้ชายโดยตามความเชื่อพื้นบ้านมากล่าวกันว่ากระหังเป็นผีที่สามารถบินได้โดยใช้กระด้งเป็นอุปกรณ์ในการโผบินกระหังจะนั่งบนสากตามข้าวควบคู่กันตามความเชื่อพบว่าการจะเป็นกระหังได้นั้นสามารถเป็นได้ไม่ยากเนื่องจากการเป็นกระหังเกิดจากการผิดครู คือการผิดคำสัญญากับครูอาจารย์ทางเวทมนต์ยกตัวอย่างเช่นการผิดคำต้องห้ามในการกินอาหารที่เป็นบวบ ก, การเดินลอดสะพานเป็นต้นอันดับที่สามผีเปรตผีเปรตเป็นผีจำพวกหนึ่งซึ่งเคยทำบาสร้างกรรมเอาไว้สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายลงแล้ ว, ลวก็ต้องมารับผลกรรมตามที่ได้ทำเอาไว้เช่น การทำร้ายบิดามารดาเป็นต้นผีเปรตมีรูปร่างสูงเท่าต้นตาลคอยาวผมยาวตัวดำผอมแต่ท้องโตมือใหญ่เท่าใบตาลปากเล็กเท่ารูเข็มทำให้ผีเปรตมักจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่สามารถกินอะไรได้ผีเปรตจึงมักจะชอบปรากฏตัวในงานบุญเป็นส่วนใหญ่เพื่อเป็นการขอส่วนบุญให้ตนเองลองมองไปที่หน้าต่างบ้านของคุณสิ มีอะไรสูงสูงโยกเยกไปมาอยู่หรือเปล่าอันดับที่2ผีกระสือผีกระสือเป็นผีที่สิงสู่ในผู้หญิงส่วนมากกระสือจะสิงร่างยายแก่อุปนิสัยของกระสือก็คือการชอบรับประทานของสดคาวและออกหากินในเวลากลางคืนโดยเวลาออกหากินจะออกไปแต่หัวกับเครื่องใน ชาวบ้านมักจะเห็นเป็นดวงไฟดวงโตที่มีแสงสีเขียวเรืองกระพริบช้าๆตามจังหวะหัวใจหากแถวนั้นมีหญิงคนไหนเพิ่งคลอดลูกใหม่ผีกระสือจะมาตามหากลิ่นขาวสดของเลือดและเข้าสิงร่างเพื่อกินตับไตไส้คงของหญิงที่คลอดลูกรวมถึงทำร้ายเด็กทารกด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงปลูกต้นพุทาไว้ที่ใต้ถุนเรือนตรงบริเวณที่มีร่องมีรูเพื่อป้องกันกระสือและเชื่อกันว่า กระสือจะกลัวหนามเกี่ยวไส้ของตนขาดจนไม่กล้าเข้ามาอันดับที่1ตำนานผีปอบผีปอบ ม, มีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์ใช้มนต์ดำจนแก่กล้าสามารถใช้อำนาจจากเวทมนต์คาถาไปกระทำร้ายหรือทำลายชีวิตผู้อื่นได้เช่นทาเสน่ห์ยาแฟดฝังรูปฝังรอยเศกหนังควายเจ็กตะปูเข้าท้อง หรือใช้มนตราบังคับวิญญาณพูดผีไปเข้าสิงซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นการกระทาที่เรียกว่าผิดครูทำให้วิญญาณบรมครูลงโทษกลายเป็นปอบหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบ ก, ก็คือคนที่เล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งไคล้และใช้ความขลังแห่งวิชามนดาไปทำลายทำร้ายผู้อื่นโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมจากการที่กระทาความชั่ว จนกระทั่งถูกอัถันของสายเวทย้อนกลับมาเข้าตัวเองจนกลายเป็นปอบไปในที่สุดโดยส่วนมากผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะร้องเรียกหาอาหารดิบๆไม่ว่าจะเป็นพวกตับหมูตับไก่สดๆและเวลากินอาหารก็จะแสดงความตะกระมูมามและกินได้จุกผิดปกติของมนุษย์ผีปอบเวลาที่เข้าสิงใครจะไม่ยอมออกจากร่างให้ง่ายคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงมักจะถูกปอบกัดกินเครื่องในจนตาย บางตำนานเล่าว่าปอบจะมาในรูปแบบพระอุ้มหมาหรือชีอุ้มแมวลองสังเกตแถวบ้านคุณดูสิอาจจะเจอผีปอบอยู่แถวบ้านคุณก็เป็นได้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ